بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولعدوان ا, إ على على إلا ول آ ع ل ى الظالمين و ص ل ي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا ي ้ ا บสแ س ดสิบเจ็ดที Allah พวกมุนาฟิกีนที่เขามีความมิติที่จะฝ่าฝืนคําคําร้องคําสั่งของท่านนบิให้ออกไปจีฮัตนั้นจะมีความยินดีที่จะอยู่กับผู้ที่ไม่ได้ออกไปจีฮัตกับท่านนบเถิดเช่นสตรีและคนป่วย แต่พวกเขาเหล่านั้นไม่มีอุปสรรคไม่มีเหตุผลที่จะไม่ออกไป jihad กับท่านนบีสุลต่าลอห์อะลัยฮุสเซลัมซึ่งได้สรุปว่าความน่ากลัวของอันนิฟากเนี่ยความสำปรับความเป็นมุนาฟิกเนี่ยความน่ากลัวนี่ว่ามันเป็นบาปที่ไม่ต้องไม่ต้องมีปฏิกิริยามากมาย มันเป็นบาปใหญ่บาปมหันที่สามารถกระทำเพียงความรู้สึกก็จะเป็นมุนาฟิกแล้วันนี้อ Allah ได้ให้เหตุผลว่าทำไมถึงเขาปฏิเสธศรัทธาแล้วก็อย่าให้ได้ละหมา จ, นจนายนาซาให้เขาอย่าได้ขอดุดมอาไปยิงกุบเพราะอะไรรัดูบิไอกูนมเาแค่เขามีความยินดีมีความ มีความปรีดาในการไม่ไปกับท่านนบีสุลต่านซึ่งบาปนี่มีมีทั้งมีทั้งงานของใจการกระทําของจิตใจแล้วก็มีวาจาบาปนะแล้วก็มีวาจาที่เป็นบาปเนี่ยแล้วก็มีการกระทําที่มีเคลื่อนไหวบุญก็เช่นเดียวกัน บาปมีทั้งสามรับบุญก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะเราจะเห็นตัวอย่างจะดูตัวอย่างแต่ความน่ากลัวของความเป็นมุนาฟิกที่มันเป็นบาปใหญ่บาปมหานเนี่ยว่ามันมันอาจจะเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งส่วนมากนี้ก็จะเกิดจากความประมาทของผู้คนในบาปที่เขาทา ซึ่งมีบาปที่ศาสนาอ น, นุโยคโทษให้ถ้าเกิดอุปสรรคด้านความรอบรู้ทําโดยไม่ ร, มรู้ไม่รู้มันบาปศาสนา น, นี้ยกโทษให้และมีบาบาบางอย่างนี่ศา ส, สนาไม่ไม่ไม่ถือว่าจะมีอุปสรรคใดๆที่จะทําให้พ้นพ้นจากการลงโทษ ทั้งทั้งนี้มันมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณสถานการณ์ของแต่ละคนสถานการณ์ของแต่ละคนเนี่ยที่จะมีโอกาสรับรู้หรือไม่มีโอกาสรับรู้ความเป็นมุนาฟิกเนี่ยลองนึกดูสีสมัยท่านนบีสุลต้อเลสลับนบีมีชีวิตอยู่กับเขาอุตรานกําลังถูกประทานลงมาสงครามที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมีนกับ ผู้ปฏิสัต t าซึ่งมันเป็นสงครามที่มันต้องคือมันต้องชัดพอที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าไม่ต่อสู้เพื่ออิสลามนี่ก็มีโอกาสที่จะอิสลามจะล่มเหลวถ้าไม่ไม่สนับสนุนท่านนาบีก็มีโอกาสที่เขาจะทำร้ายท่านนาบีได้ฉะนั้นมันมีความชัดเจนใครจะมา ه, อ, อ้างว่าโอฉัน ฉันไม่รู้ว่าการเชื่อฟังนบีมันเป็นวาจิบมันมันเป็นไปนไม่ได้เ ป, เป็นไปไม่ได้แต่ในยุคอื่นในยุคอื่นเนี่ยพอที่จะเห็นภาพเช่นยกตัวอย่างเพราะมันเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยมุสลิมสมัครทหารในประเทศที่ไม่ช่มุสลิมแล้วจะต้องไปประทะกับประเทศ ที่เป็นมุสลิมด้วยกันรูปแบบเนี้ยโมเดลเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องหลักการเรื่องทฤษฎีนะมุสลิมทำไม่ได้โดยเด็ดขาดแล้วจะทำละ่ะตกศาสนาคนอเมริกามุสลิมสมัครเป็นทหารอเมริกาแล้วก็ไปสู้ที่อิรักเนี่ยต้องเผชิญห น, น้าไปฆ่ากับมุสลิมด้วยกัน ไปอัฟกานิสถานนี่กจะต้องไปสู้ไปฆ่ามุสลิมด้วยกันถ้าในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้อะอย่างเช่นเช่นมุสลิมอัฟกนานเดินทางไปอเมริกาแล้วก็ไปทะเลาะ ก, กับมุสลิมชาวอเมริกาในเรื่องดุนยาเนี่ยแล้วก็ชกกันต่อยกันฆ่ากัน อันนี้ไม่มีใครตกศาสนาก็เป็นเรื่องบาปใหญ่คือคือมุสลิมฆ่ามุสลิมนี่เป็นบาปใหญ่ <c oughs> แต่มุสลิมอยู่ในสถานภาพที่ให้ความร่วมมือกับศัตรูจะได้ฆ่ามุสลิมด้วยกันนะั่นะเนี่ยโมเดลเนี่ยตกศาสนาอันนี้พูดถึงในด้านทฤษฎีนะเรายังไม่ได้พูดถึงว่าตัวคนตัวมุสลิมที่ไปสมัครในทหารที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยผู้คมเขายังไง เพราะมันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดความคุ่มเคือความสับสนและมีปัจเจกจจัยที่ทำให้มุสลิมคนๆ น, นั้นนะที่ไปสมัครในทหารที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยหลงเชื่อว่าสถานภาพของเขาเนี่ยมีความชอบทางศาสนาซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริง บรูมุสลิมที่ไปซารเมรมดีก็ให้ฟตวัวให้กำาลังใจกับทหารมุสลิมที่ไปสุโอดีทำกานนิสสันที่อิรักบอกว่าที่ไปเนี่ยที่ไปเนี่ยเราไปปราบปรามก่อการร้ายซึ่งเขาเหล่านั้นนะ่ะถึงจะเป็นมุสลิมก็ตามแต่เขาถือว่าถือว่าละเมิดผู้อื่น แล้วก็ผู้ละเมิดผู้อื่นเนี่ยการที่จะไปสู้กับสู้พร้อมกับกาเฟสเนี่ยจะได้ปราบปรามบุคคลที่ละเมิดผู้อื่นอันนี้มีความชอบในทัศนะของอุลามาบางคนแล้วก็ระนมหลักฐานวันอวีเคยขอความช่วยเหลือจากกาเฟสเคยยืมอาวุธจากกาเฟสหลักฐานอะไรเนี่ยคื mm hmm. อเวลาจะหยิบยืมอะไรในการสนับสนุนทัศนะของของตัวเองเนี่ยนี่ม mm hmm. ละมาซาอุดีก่อน ที่จะเกิดเหตุการณ์อิรักบุกคูเวตเนี่ยศาสนาของอุลามะชัดเจนแล้วว่าจะขอความช่วยเหลือจากกาเฟรนี่มามาสู้กับมุสลิมไม่ได้แต่พอเกิดเหตุการณ์นั้นน่ะกษัตริย์ที่ซาอุดีนี่ก็เรียกอุลามาตอนนั้นน่ะกิ่งฟาร์ดกษัตริย์ฟาร์นี่เรียกอุลามาหน่งนนั้นก็ชื่อบิมบาสให้ข้อมูลกับอุลามาว่า ล้ำพังความสามารถของทหารซาอุดีคนเดียวนะที่จะไปสู้กับซัดดัมเนี่ยไม่มีและซัดดัมเนี่ยมันไม่ได้เอาศาสนามันเป็นพักอัลบาสพักอัลบาสเนี่ยเป็นพักชาตินิยมชาตินิยมอารับมันไม่เอาศาสนามันมันเคยต่อต้านอุลามาข้อมูลที่อุลามาได้รับตอนนั้นทําให้เขาหนีออกฟาตัวว่าเรียตฐานอเมริกามาช่วยได้ไหม ก็าตั้งฐานทัพอเมริกาจะได้ช่วยถล่มอิรักได้ไหมอุลมามะฟาตัวได้อุลามาที่เป็นทางการนะนะอุมามะกิบาร์อ่าเขาฟาตัวเขาได้แต่อุลมามะท่าอื่นโดยเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในบริบทของทางการอาจารย์มาหาอลไรอุลามาอิสระอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็เขียนเขาเขาดีกาถึงกษัตริย์เลยว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าให้หาทางอื่น ทางอื่นในการที่จะเขาเห็นด้วยที่จะที่จะต่อต้านซัดดัมเพราะซัดดัมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีตอนนั้นนะ่ะนะเขาเห็นด้วยต่อต้านซัดดัมแต่ไม่เห็นด้วยที่จะไปยืมยืมมือของอเมริกาเพราะยังไงมันก็ต้องภาพที่มันจะเกิดขึ้นมาทีหลังนี่ก็คือมุสลิมฆ่ามุสลิมและคนที่จะล้มตายนี่ก็คือมุสลิมแต่ อ, อเมริกาคงไม่ล้มตาย มันก็เกิดมันก็เกิดตามนั้นอย่างี้พอมีผู้รู้แล้วก็ผู้รู้ที่น่าเชื่อถือด้วยทหารแบบทศิษฐ์ศสนาที่ไม่ไม่ไม่มีความรู้เนี่ยก็เห็นอุลามาเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอะไอย่างนี้เนี่ยถือว่าบนในบริบทเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความสับสนบางกรณีที่อาจจะเป็นเป็นอุปสรรค ที่จะห้ามไม่ให้ผู้กลุ่มว่าตกศาสนาแต่โดยหลักการคือตกศาสนาโดยหลักการนั้นตกศาสนาแต่บางที่มีกรณีมีเงื่อนไขมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นในในบริบทในตัวบุคคลที่กําลังกระทําความผิดตามทฤษฎีเนี้ยตามหลักการเนี้ยถ้าเราไม่สามารถที่จะกล่าวกล่าวหาว่าเขาเป็นกูฟูปัญหาทุกยุคทุกสมัยเนี้ย เกิดจากอุลามาที่มาดีอยู่ในร่องในรอยเพราะเขาฟะตัวอะไรที่มันมันผิดพลาดฟะตัวาตามผู้นำามตามผู้ปกครองมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยขวยไปตามฟัตัวผิดเพี้ยนของเขาทั้งดั้งดีหละการอย่างที่เราได้เรียนรู้เนี่ยหลักการนี่ก็คือศาสนาสั่งสอนว่ายังไง ถ้าไม่ไม่เห็นด้วยกับหลักการศาสนายินดีในการที่จะทําสิ่งที่มันสวนกับหลักการศาสนาทําลายหลักการศาสนาตามที่เราได้เรียนรู้ตามประวัติศาสตร์อันนี้คือมูนาฟิกแล้วมุนาฟิกเนี่ยที่อัลลอฮ์ได้บอกวันนั่นก็คือผู้ปฏิเสธศรัทธามันหิไม่พน้นแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องยึดในบริบทนั้นๆ น, น, นั่นคือสมัยท่านนะบีเนี่ยมันมีความชัดเจนยุคตัวอย่าง เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็คือโซเชียลเนี่ยได้เผยแพร่ภาพของะหารยิวที่เสียชีวิตถูกถูกฆ่าที่กาซาก็หมายถึง่ามยาหฮิดิ น, นไปฆ่าเขาทหารยิวนะแต่ปรากฏว่าพอเขาเอาศพกลับมาทำพิธีทางศาสนาอ้าละหมัดจะนาจากันนีแล้วก็หีบหีบนี่ก็เอาทง ทงอิสราเอลเนี่ยมาคุมอย่างสง่างามยแล้วก็มีก็มีขอดุอานัสบีด้วยขอดุอ่าหลังละหมาดนาซาด้วยแล้วคนนี่มาละหมาดจนาซาให้เนี่ยก็อิหมามเขาอย่างงี้นคนคงงงกันทั่วโลกเลยนะไอ้นี้มุสลิมใช่มมุสลิมให้ยใช่ละที่อื่นเพราะมีอาหรับที่ไม่ได้มุสลิมลวที่อื่นเช่นดูรอะไรพวกเนี้ยนอกรีตศาสนาอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยที่รับชายยูเนี่ยมีเยอะ เ้ช่พวกละล่านะีะไม่ใช่มุสลิมอาหรับมุสลิมซุนนีแล้วก็ไปดูบัญชีเฟซบุ๊กของเขาเนี่ยถ่ายรูปกับพ่อแม่เขาไปละหมาที่มัสยิดอักซ้อแล้วก็ขึ้นหน้าแรกเนี่ยในเฟซบุ๊กขเขาเนี่ยโอ้โหดูอาอย่างซึ้งเลยบอกว่าให้เขอให้ฉันได้บั้นปลายชีวิตเนี่ยจบด้วยความพอพระทัยจากเลาเหรวว้าวมากเลย แต่อะไรที่ทำให้เขาเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าการที่ไปยืนข้างเคียวศัตรูอิสลามกคือบาดติดกับทหารยิวน่ะนะจะได้เข้าไปสู้รบไปเห็นฆ่าไปสังหารพีมุสลิมเขาเชื้อชาติเดียวกันศา ส, สนาเดียวกันนะ่ะนะเพื่อสนองคําสั่งคําบัญชาของศัตรูอันนี้มีความชัดคือมันมันไม่มีความสับสน เพราะไม่มีอุลามาไหนในโลกนี้แม้กระทั่งที่ปาเลสไตน์นะที่ฟาตัวบอกว่าได้ไปสู้กับยูจะได้ฆ่ามุสลิมด้วยกันแนตะ่ได้ไม่มีมันมีความกระจาย ฉ, ฉะนั้นถ้าเราเห็นอะไรแบบนี้เนะี่ยมันก็ถ้าพูดได้ก็ต้องพูดเพราะมันขึ้นหลักการถ้าพูดไม่ได้ก็จะอึมอั้มมนนะอึมอั้นะออก็ แล้วแต่กรณีแต่บางอย่างเนี่ยถึงบุญผมบอกว่าผมไม่อยากถ่ายทอดสดมีหลายคนเนี่ยมาขอร้องมาถ่ายทอดสดก็แย่เลยบางอย่างเนี่ยเราพูดเราสอนนี่ําหลักการศาสนาถ้าออกทางสื่อเ น, นี่ยออกไม่ได้แร้วคนส่วนมากในสังคมโดยเฉพาะทางการเนี่ยเขาเคารบไม่ได้แต่เป็นหลักการที่เราต้องถ่ายทอดไปเพราะเป็นหลักการถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่พูดเนี่ยเราบาป และถ้าคนไม่รู้ต่อไปเนี่ยหละการศาสนาจะถูกจะถูกกลบไปแล้วก็หายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่นบีบอกว่ากอนวนเกียรมาเนี่ยจะมียุคที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักนบีอะไรมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ไงปิดทีละเรื่องทีละเรื่องปิดทีละเรื่องทีละเรื่องจนถึงยุคที่คนเขาไม่มีเรื่องศาสนาเลยคุรานก็มีนะแต่คนไม่รู้เพราะอะไรเพราะผู้รู้เนี่ยหุบปากปิดปากไม่พูดเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องพูดให้ให ให้คนที่มาเรียนรู้คนที่มาสืบทอดมรดกอัลกุรอานและคสอนของท่านนิสลลออะรอยส ล, ล, ลัปากต่อปากนะและอันนี้คือความพิเศษของการที่เราได้มาเรียนรู้เราได้มาเรียนรู้จากผู้รู้เนี่ยจะได้รับความรู้อะไรที่เป็นปากต่อปากวันหนึ่งถ้าเราไม่สามารถถ่ายทอดอะไรได้ในสาธารณชนน่ะนะอย่างน้ อ, นอยอนี่ยเราก็ฝากไว้กับลูกหลาน กับคนใกล้ตัวกับคนที่เรารู้จักอย่าให้อย่าให้อิสลามเนี่ยได้ถูกได้ถูกปกปิดแล้วก็ถูกถูกฝังกลบไว้ไม่ให้ไม่ให้มีใครเข้าถึงและการศาสนาได้ต้องการข้ามกับมุนาฟิกีนและแกนนำของเขาที่ต้องการทำลายอิสลามนี่ Allah Subhanahu t a a l ได้ยกตัวอย่างโมเดลหรือรูปแบบหรือแมบบ่แบทบ ขุ لكن د ا د ا إ ่สังคมผูสต์เถอะแต่ขนอัลลัฮฺและผู้ที่เชื่อและที่ร่วมกับขุนอัลลัฮฺที่มุ่งมั่นและที่มุ่งมั่นอย่างนี้ขุนอัลลัฮฺจะให้ขุนอะลลัฮฺได้รับความเมตตาและขนอัลลัฮฺจะให้ขุนอัลลัฮฺได้รับความเมตตา ที่ไม่ได้ฝากฝืนคำสั่งสอนของอัลลอฮฺเราละซูลเนี่ยคือใครอ่ะแต่ถ้าว่าอัลละซูลวละดีนะอัละซูลและบรรดาผู้ที่ศัตธาซึ่งร่วมอยู่กับท่านนั้นมันมีส่วนประกอบตรงนี้เนี่ยที่ละเว้นไม่ได้ถึงแม้ว่ามันเป็นประโยคดูเหมือนธรรมดาธรรมะที่ไม่เหมือนพวกมุนาฟิกีกลุ่มชนมุนาฟิกี น, นั่นก็คือระซูลและ ผู้ที่ศรัทธาซึ่งร่วมอยู่กับท่านนบีและผู้ที่เชื่อใจกับท่าแสดงว่ามุนาฟิกีเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาศรัทธาแต่เขาไม่ได้ร่วมศรัทธาร่วมร่วมกับท่านนบีร่วมได้ไงกันนบีบอกก็ไปไปเจรจากันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูก่อนไม่ร่วมไม่แบบนี้ไม่ร่วม และนี่คือเงื่อนไขสําใใ ค, สคัญของสังคมมุสลิมเนี่ยเวลามีเวลามี ว, ามมมวิกฤตใหญ่ในสังคมสังคมมุสลิมถึงจะทะเลาะกันแต่เวลามีวิกฤตต้องเป็นบึกแผ่นเดียวประชาชนอิสลามทะเลาะกันได้แต่ละกลุ่มแต่ละประเทศทะเลาะกันได้แต่ถ้ามีวิกฤตนี่นะรวมตัวกันอันนี้ยังมีความเป็นประชาชนอิสลามยังอยู่แต่ถ้าไ ม, ไม่เกิดขึ้นเรื่องนี้แหละ ทลาะกันแล้วเวลาเกิดวิกฤติศั <c oughs> ตรูนี่มารุมกินโตเขาข้างศัตรูนี <c> ่ค <oughs> วามเป็นอุหมานี่มันกำลังสาลายแล้วตรงนี้จะต้องมีคือความเป็นจม마เนี่ยเราเราสามารถตีความได้จะระซูลและวกับูสะจร่วมรวมค ว, ว, ว่าร่วมเนี่นยแสดงวา่วจาจะมาามานี่ง ต้องรวมตัวกันรั nah 哈哈้วและในเมื่อมีมาแล้วเนี่ยต้องมีผู้นอิมามดีบอกว่าลมาต์อิลล์บีอิมาระไม่มีเจมาวันเดียวจะต้องมีเคนนำอิมาุเดมีเอามาจากเอามาจากข้อพิสูน์จกดูอิมามอบดอับดุลูดละทิรมิซีท่านเบียซาลลัลลอฮุวาลัยฮุวะซัลลัมได้บอก กับคนที่เดินทางว่าอิุนตุมสลแอิถ้าพวกท่านเนี่ยรวมตัวกันเดินทางกันแล้วเนี่ยเป็นสามคนแล้วนะให้มีผู้นำให้มีอมิรุแต่บมบอกว่าแค่เดินทางเดินเดินทางไกลเนี่ยเดินทางกันสามคนนะบีไม่ได้บอกว่าเดินทางเพราะอะไรนักแสดงว่าเดินทางทำธุรกิจเดินทางไปเยี่ยมญาติเดินทางไปรักษาพยบา เดินทางไปทำธุระอะไรสักอย่างนะเมื่อเดินทางไกลแล้วอ่ะนะให้แต่งตั้งอาวิชย์คุใจเมี่ยวบอกว่าขนาดเดินทางธรรมดาเนี่ยแล้วก็สามคนต้องแต่งตั้งอาวิชแล้วภาษาอะไรกับงานใหญ่ละ่ะใหญ่ใหญ่กาษามงานสิบคนยี่สิบค น, คนเคยเห็นหั้ม บริษัทไม่มีประธานมีไหมสมาคมไม่มีนายกมูนิธิไม่มีประธานประเทศรัฐบาลไม่มีนายกเอ็งเนี้ยอะไรเงี้ยรัฐสภาไม่มีประธานรัฐสภาเคยเห็นไหมมีสมาชิก็ต้องมีอามีรมีอามีรมีผู้นําแล้วต้องเชื่อฟังผู้นําถูกต้องไหมมี มีเจ้ามาอากรดงมีอามีรมีอามีร์กรดงเสวยวังอามีรอันนี้นบีพูดถึงใครยะสามสามคนนี่มีอามีรนบีพูดถึงขลิฟะบาหมายถึงว่าถ้าประชาอิสลามสามคนนี้ให้แต่งตั้งขลิฟะนบีพูดถึงทุกเจ้ามาทุกกิจวัตรทุกกิจกรรมทุกธุรกรรมทุกเรื่องราวที่มีความชอบ แต่งตั้งจะมาได้แต่งตั้งอามีได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องจะมาใหญ่ของสังคมจดทะเบียนสมาคมได้ไหมบาปไหมจดทะเบียนมูลนธิธิบาปไหมอ่าเนี่อันนี้นะอันนี้ไมด่ด็ตั้งชมรมนักศึกษาได้ไหม แล้วชมรมรักษาเนี think, ่ยต ah, ้องมีเขาเรียกอะไรหัวหน้าชมรมบ่เขาเรียกอะไรประธานชมรมต้องมีประธานเลยต้องไม่ต้องไม่ต้องมีและมีเลดตั้งไหมทุกที่เลยนะทุกหมาอะไรเลยนะทุกคณะเลยนะมีต้องมีชมรมตั้งชมรมนี่บิดาไหมไอ้แล้วทำไมเขากล่าวหาว่าอิควานเนี่ยฮิสบีเขาตั้งจะมานอกกรีต จมา่าใหญ่ของผู้นําแล้วทําไมอ่ะฮิคารเทคอกระดั่งจม่าสารสบเคากระั่งจม่ากลุ่มร่วมกัทุกคนก็ตั้งจมา่าในเมื่อเขาทํางานในคัลองของกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้ทําลายระบบบ้านเมืองไม่ได้ไปเห็นฆ่าใครไม่ได้ไปแย่งผลประโยชน์อะไรของใครสร้างประโยชน์ก็บแผ่นดินกับประเทศชาติแล้วจะผิดตรงไหนจะเป็นไอซ์บตรงไหนจะเป็นพวกที่ยึดในจมา่าตรงไหน แล้วเราจะไปต่อสู้กับศัตรูนี่โดยไม่มีเจา้ามาว่าไม่มีอาหมีรไม่มีกลุ่มไม่มีกองทัพไม่มีอะไรไม่มีผู้นำํำยังไงเราจะไปต่อสู้กับยิวจะได้คืนแผ่นดินอักซรอย่างไงยูเนี่ยเขาใช้เวลา400ปีนะครับกว่าจะได้คืนแผ่นดินที่เขาอ้างว่าเป็นแผ่นดินของเขาตามโตราตามคําสั่งสอนของคำบีของเขาใช้400ปีแล้วเราจะต่อสู้ยังไง ผรูบอกว่าไม่ชเรื่องของคนเป็นเรื่องของผู้นําประเทศก็ผู้นําประเทศอย่างที่เห็นกันผู้นำประเทศก็แอบไปจุบไปจุบผู้นําของยูเนี่ยหลังบ้านเนี่ยแล้วเราแล้วเราจะพึ่งพาเขาได้ไงแต่ว่ามุสลิมเนี่ยไม่ร่วมตัวกันแล้วก็ตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มจะได้ฟื้นฟูอิสลามถึงแม้ว่าไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้นําซึ่งความต้องการของผู้นําเนี่ย ที่มันผิดหลักการศาสนาเนี่ถือว่าโมเคียไม่มีไม่มาลัยสาระไม่ไม่มีความหมายถ้าคําสั่งของผู้นําอันนี้หลักการศาสนาคําสั่งของผู้นําเนี่ยถ้าฝืนกับหลักการศาสนาเชื่อฟังไหมผู้นําไม่เชื่อฟังสมมติว่าผู้นําศาสนาตอนนี้หรือผู้นําประเทศมุสลิมเดี๋ยวนี้บอกว่าอย่าไปสู้ยิวยอมมันไม่ฟังถ้ายิวเข้ามาสู้รบมาฆ่าแกนี่แกไม่ต้องสู้ยอมเขาซะทำสัญญาสันติภาพซะ เขาพาสมาคามซื้อขายกับเขาซะทําการค้ากับเขาซะไม่ฟังถ้ามันวิหละการศาสนาความเบญจมาห์ที่มีผู้นํามันก็หมายรวมว่าจะต้องมีหลักการที่จะให้เบญจมาห์เนี่ยเชื่อฟังผู้นําหลักการที่จะให้เชื่อฟังผู้นํานี่ก็คือเญจมาห์เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไร อ่ะสมมติว่าตั้งจะมากะเกษตรแล้วก็ตั้งหัวหน้าของจะมาเนี่ยอาเหม็ดของจะมาดูแลเรื่องกเกษตรแสดงว่าผลประโยชน์ของกเกษตรมันจะเป็นที่ตั้งและก็กลุ่มที่แต่งตั้งขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มีอมิตรขึ้นมาเนี่ยถ้าทํางานเฉพาะเรื่องนนะเรื่องอื่นนี่มันก็ไม่เกี่ยว อะอย่างเช่นตั้งกลุม่มจะมากะเกษตรต้องเชื่อฟังผู้นำนะแล้วต้องทําในสิ่งที่มันเป็นเป้เปาหมายของจะมานะถ้าถ้าผู้นําบอกว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวกันเอาไรายได้ของกเกษตรเนี่ไปเที่ยวกันมันไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งจะไม่มีอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไปทําที่อื่นซะทําที่อื่นซะ ต, ตั้งจะมาเขาเรียกว่าจะมาข้อศอก ใครอยากจะศึกษาเรื่องนี้ศึกษาอย่างอย่างเป็นวิชาการนะไปอ่านฟาดัวของอิบดุลเมิญะในมจมวอลฟาดัวเล่มที่28ท่านถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้ามีกลุ่มเขารวมตัวกันจะได้ขยันทำไอมบาดาจะได้ทําแล้วก็ขณะที่จะต้องเชื่อฟังผู้นําของเขาแล้วก็มีบียาด้วยกันพอเขารวมตัวกันจะได้ช่วยกันทำไอมบาดา ถึงขณะที่เป็นจะมาเป็นอเมีร์แล้ก็มีบายาไมีอะไรเนี่ยอิบเนตัยมีบอกว่าได้ได้ไม่เป็นปัดหาเลยและอันนี้เขาเรียกว่าจะมาขคอซ้อไม่ขัดกับบายาของจะมาอาม่านี่ก็คือจะมาะใหญ่คืออุมมะเนี่ยที่จะมีคอยลีฟ้าเนี่ยนี่ไม่ขัดกันนี่จะมาข้อซ้อแล้วก็จะมาอาม่ะอิบเนตัยมีเนี่พูดพูเรื่องนี้อย่างละเอียดเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถตีความได้จากคําว่า เอ่อแต่การที่มันจะเป็นอัตลักษณ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าแต่เท่าว่ากลุ่มนึ่ไม่เหมือนมุนาบิกีนเขาทาอะไรอ่ะกลุ่มรสลแล้วก็ผู้ศรัทธาร่วมกับระบีเนี่ยเขาทำอะไรจ่ฮัดูแสดงว่า สัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาที่ร่วมอุดมการคาสั่งสอนของท่านนบีสุลต์ละละสัลลัมทุกยุคทุกสมัยนี่นะจะต้องมี jihad เป็นอัตัลละต้องมีในบันทึกของอิมามมุสลิมที่ท่านนบีสุลต์ละละสัลลัมบอกว่าละท้าจะลุทอีฟะดูมุลหมัดี ظاهرة ในทาง الحق จ ع มีคนในประชาชัดของฉันเนี่ยเหนือกว่าความจริงละสัจะทำก็หมายถึงว่า ไม่มีใครสามารถติเตียนได้เพราะเขามีความเด่นชัดในเรื่องยึดมั่นในศธรราในสำนวนของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยท่านนาบีบอกว่ายู่กาติลูน่ะฟีสวีลิลล่ะเขาจะต่อสู้ในหนทางของเราอยู่กาติลูน่ะเาจะต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้ใน jihad ในหนทาง ah um ของเราลายดุรุหมันคาลัฟฮุมใครที่จะ เห็นต่างจากเขาเนี่ยเขาก็จะไม่รับผลกระทบใดๆรายงานของสานวนของอิหม่ามอามัดเนี่ยท่านนบีบอกว่า“วะฮุมเบอคนาฟีเบตุลมักดิส”อุมชนเนี่ยที่ยึดมั่นในศัตธรรมเสมอแล้วเขาไม่รับผลกระทบจากคนที่เห็นต่างจากเขาเนี่ยเขาอยู่ระพรว่าเบตุลมักดิสอุลละมาบังดันจึงบอกว่า อันนี้เน่าเรียกว่าเขาเรียกว่าอัตตาอิฟล์มันซูร์กลุ่มชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สุภาพนาฏอัตตาอิฟล์มันซูร์ทไมต้องไปดูสำนวนอ่ะสำนวนอื่นในฮันดิสบุตเดียวสำนวนอื่นเนี่ยมันจะบ่งถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของกลุ่มนี้ทำไมเพราะมีทัศนคของอุลลามะบางคนบอกว่าอัตอิฟ์มันซูรเนี่ย กลุ่มที่อัลลอ์สนับสนิคือผู้รู้อ่านี่มีทัศนะกออิหมมบุรีุลม้นบอกวาตอีฟะมันซุรอลอะ์ุละดีุลฮะดีซึ่งทัศนะเหล่านี้เนี่ยไม่มีหลักฐานเลยหมายถึงในตัวบทนะไม่มีหลักฐานเลยว่ากลุ่มที่อัลลอ์จะสนับสนคือกลุ่มผู้รู้อย่างเดียวเราก็เห็นกันนะค แล้วถ้ากลุ่มผู้รู้เขาขัดแย้งกันละ่ะใครจะใครจะเป็นกลุ่มที่อัลลอสนับสนุนเราจะเรียกว่าอุลมามะเวลาเขาขัดแย้งกันทัศนะของใครที่อัลลอฮ์สนับสนุนเราไม่สามารถบอกได้ <c oughs> แต่นี่มันมีคุณสมบัติด้านการกระทบเขาทำอะไรโยคอติลูในวิสบิลแสดงว่าหนึ่งในในในคุณในลักษณะของเขาเนี่ยเขาต่อสู้ และและไม่มีสงครามเนี่ยเขาเรียกร้องสู่การต่อสู้เขาจะเขาจะไม่ลบล้างหรือจะไม่ปกปิดหลักการของจิ h า d ของการต่อสู้เพราะมันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของกลุม่มนี้สองเบียกนาฟบตลมักดิสอันนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าท่านนาทีพูดถึงกลุ่มที่ Allah จะสนับส น, นุนในยุคอาคเดซมานยุคยุคสุดท้ายก่อนก่อนวันสิ้นโลกเป็นไปได้ ถ้าสมมุติอันนี้ไม่ได้เป็นการฟันธงนะแต่ถดสมมุติว่าเราอยู่ในยุคออคือดูเสมอนยุคสุดท้ายของของก่อนวันสิ้นโลกนี่ช่วงที่มาดีกําลังจะออกท่านนับุอีซากําลังจะลงะสงครามระหว่างมุสลิมกับยิวกําลังจะเกิดขึ้นตอนเนี้กลุ่มมุสลิมคนไหนที่เขากําลังต่อสู้แล้วอยู่รอบรอบใบตุนมักนิสนเนี่ยตอนนี้กลุ่มไหน แค่มีกลุ่มเดียวแคกุมนี้กำลังต่อสู้ตอนนี้แค่มีกลุ่มนี้แหละที่มีคุณลักษณะเหล่านี้แต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ ถ, ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นนกออกมถ้านี่ยังไม่ใช่ยุคอาคฤษมานนะแต่เขาเนี่ยมีคุณสมบัติไหมเขามีคุณสมบัติยึดมั่นในศั จ, จธรรมแล้วก็ใครเห็นต่างกัน ตัวรโลกเห็นต่างอเมริกาจะเห็นต่างไม่สนใจนี่ล่าสุดนี่ไปประชุมกันประเทศมาอํานาจอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็กต้าเนี่ยเป็นเป็นตัวประสานแล้วก็ยูก็มาเนี่ยมามานั่งโต๊ะมามานั่งโต๊ะจะได้คุยเรื่องกาซาคุยเรื่องกาซาว่าจะยุติเอ่อจะตัวประกันจะคืนยังไงอะไรเงี้ยสรุปแล้วนี่มานั่งกันบนโต๊ะนี่นะ ค่าใช้จ่ายเนี่ยไรประโยชน์เลยเพราะต้องพราะต้องจากกันโดยโดยมีข้อสรุปว่าคุยกันแล้วนะทุกเรื่องเลยนเงื่อนไขอะไรยังไงฮามาสก็ทุบต๊ะที่นู่นนะเขาทุบต๊ะคนละที่นะคนในโต๊ะนี่เขาไม่ยอมนั่งกับฮามาสก็ไม่นั่กันได้แต่ฉันทุบต๊ะเองทุบต๊ะบอกว่าไม่คุยต้องยุติสงครามก่อนแล้วค่อยคุยกับบ้านกับบ้าน แล้วยดูรุมันขาลมังใครที่เห็นต่างันนะแกเห็นไหมสิเพราะยุกวาตีลุนนบีสบีลละเขาทำนาดีเนี่ยลุยอย่างเดียวต่อสู้จ่าหดูเบอมวลิมุมอันฟุ่สมิมได้ต่อสู้ด้วยทรัพสมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาอนี้คือสิ่งที่ปฏิเสไม่ได้ว่าท่านนบีละซฮะบานนที่เขาถือว่าเป็น เป็นผู้ศรัทธาที่เลิ่ที่สุดด้วยผลงานของเขานะ่ะไม่ใช่ว่าเขาในเกิดในยุคแล้วก็อัลลอฮ์คัดเลือกเขาโดยไม่มีเหตุผลนีนไม่ใช่อัลลอฮ์คัดเลือกคนที่ประเสิที่สุดเนี่ยด้วยเหตุผลสำคัญนะ่ะคือเขาพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่ออิสลามจริงๆซึ่ ง, งไม่พบไม่ปรากฏในยุในในรุ่นหลังเนี่ยคนที่เคยทุ่มเทเหมือนที่นบี ล, ละสอฮาบนนี่เคยท เหมือนหรือใกล้เนไม่มีอันแสดงว่าที่เอาล็อคัดเลือกนี่มีเหตุผลที่มันมันมีความเหมาะสมจริงๆตัวอย่างในการในการต่อสู้ด้วยชีวิตของเขาด้วยทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยนมากมายในชีวประวัติของท่านนบีสุลต่านละออสาบะคนทั่วไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยถ้าเจออุปสรรคที่นบีละออสาบะได้เจอเนี่ยเขาถอยละ ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกนี่ก็คงจะถอยไม่สามารถต่อสู้ต่ออัลลบอกว่าอุลาอกะเลห์มุลขัรชลลานี่แหละมรับพวกเขานั้นจะได้รับความดีมากมายอุลาอิกะชัลลานี่เลหมุลขัยรอัลขัรัดขัรัดขัยร เจ้าก็ข่าวข่ายข่ายเบวาลยดีค่ายรอดนะฮะดีดีดีดดีดอัลข่ายรอดเป้าพุดเป้าพดของอะไรไม่ใช่เป้าพูดของนะข่ายนะข่ายเนี่ยเป็นเอกพจน์เพศเพศชายแต่ถ้าหญิงอย่างเช่นถ้าตั้งเป็นชื่อเนี่ยข่ยนี่ได้ผู้ชาย ดังชื่อผู้หญิงแหละต้องไข่อรออ่อไข่อรอคนเก่าแก่นี่บ้านเราเนี่เคยใช้คอยรอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีหน้ามาดีนาซาดีหน้าตาีน้ า, นาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เด <laughs> ี๋ยว น, น, น, นี้มันเป็นแฟชั่นแต่ไอไอชื่อบราณโบราณ น, นี่อืมีคนก็มาเช็คตั้งชื่อให้หน่อยใจหนัก ใจหนับชื่อบรรยา น, นับ a ย่างเนี้ยไม่มุนาไม่มุนานะเขาจะเรียกกันไอ้นักนะเป็นแบชั่นนะ خ รอดเนี่ยบาหุพจน์ของ خير ะ خير รอดก็คือความดีมากมายหพหพจนด์ดีดีหลายอย่างอันนี้คือทัศนคของอุลลอฮส่วนมากที่เขาอธิบายของ خير รอดนี่คือความดี ความดีที่บว่านับไม่ถ้วนไม่จํากัดความความดีทุกอย่างทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าแต่มีวามาา่ว่าอะไรบังท่นบอกว่าขายรอดขยิรอดนี่ไม่ใช่ความดีทั่วไปไม่คือในกุศลนี่มีการพูดถึงมีการพูดถึงขยิรอดนี่ก็คือนางสวรรค์และขุมขยรอตุนฮิซานในสุรษะอัลร่ำมานขยรอตุนฮิซานขยรอดนี่ก็คือนางสวรว ร, นน ร, من, ร, รค์ ที่มีความดีงาไพศานสวยงามก็หมายถึงว่าคนที่ต่อสู้ในหนทางของพระสุภาราตาน่ะอย่างท่านนบีละซาว์ะเนี่ยเาก็จะมีนางสวรรค์แต่ทัศน์น่นี้ดูเหมือนว่ามันจะมันจะไม่ไม่ครอบคุมแล้วก็ถ้าคนที่เป็นคนีต่อสู้กับท่านนบีด้วยชีวิตด้วยทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยที่เป็นหญิงล่ะเป็นผู้หญิงล่ะ จะจะอธิบายขร้รอดนี่ยังไงถ้าอธิบายข้อรอดใความดีงามโดยไร้จํากัดไม่มีไม่มีขอบเขตทุกสิ่งที่มันเป็นความดีอัลลอฮ์จะตอบแทนคนที่ต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์เนี่ยโดยโดยชีวิตและกาทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยอันนี้เขาจะได้คุณงามความดีอันนี้มีน้ําหนักมากก ว, ว่าว่าอุัยกะฮุมมุฟลีฮุนและคนเหล่านี้และคนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับความสําเร็จมุฟลีฮุนนี่ก็หมายถึงว่า คนที่อยู่ในแนวทางที่บรรลุความสาเร็จแสดงว่าการเลือกทางทางการต่อสู้กับท่านนาบีเนี่ยคือการเลือกการคัดเลือกที่ถูกต้องแล้วและความถูกต้องเนี่ยเป็นการสนับสนุนจากอัลลอสุบฮานาหัวดาละให้คนที่เลือกต่อสู้ในองทางอัลลอเนี่ ย, ยจะรับความถูกต้องแล้วกความสาเร็จเช่นอีกอายะหนึ่ง ในสุรษะอันงับบุตรจะทำให้ข้าอกว่าและที่นั่งเจ اه ดูฟีน่าเนหดิอันนั้มสุบุลนาและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของเราและเนหดีอันนัุมเราจะให้ทางนำกับเขาสุบุลนาทัทางนำที่ที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยเราจะมอบให้เขาแสดงว่ญญาคนเดียวเราจะช่วยให้ขเขาได้ตัด ส, สินใจถูกเนี่ยคือคนที่จะ จะต้องพร้อมต่อสู้ในคนตางคนลค์คนที่พร้อมเสียสละเพื่ออัลลอฮสุลฮานอัลออานอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากสำหรับคนที่คนที่ได้ได้ศึกษาอัลกุรอานแล้วก็บุคลิกบุคลิกของมนุษย์ทั่วไปจะเห็นว่าสิ่งที่อัลกุรอานพูดถึงนี่มันสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ คนเราเนี่ยเวลาเป็นเพื่อนกันนะคนที่เราจะไว้ใจเขาคนที่เราจะเชื่อใจกันแล้วก็สนิทสนมกันคือคนที่เต็มใจกับเราใช่ไหมเนะวลาเรามีเพื่อนหลายคนนะก็เพื่อนที่เต็มใจแล้วก็เพื่อนที่ไม่เต็มใจใครที่จะใกล้ชิดกว่าก้คนที่เต็มใจต้องไหมคนที่เต็มใจ ถึงขนาที่ไอคนที่เต็มใจกับเราเนี่ยเวลาเขาประสบปัญหาเราก็จะช่วยเฮ้ยเขากำลังสับสนเราก็ชีน้นำเขาเราก็ให้ความแนะนาเขาเต็มใจกับเราเช่นีคนที่เต็มใจกับเอา เ, เอ า, า, อางไงบอกมาฉันมีหน้าที่ทำอย่างเดียวคนที่ใจนี่เต็มใจกับเราเนี่ยเนี่ยคนแบบเนี้ยที่ a า l a h จะให้อิดายามากกว่ามากกว่าไอพวกลังเล เาสั่งว่าอย่างนี้เดี oh, e ok kan, e ok ๋ยวกันเดี๋ยวจะเย็นๆจะดีไปไหนเดี an, Quran, um de e de ๋ยวกอนดี๋ก่นเดี๋ยวก่นคนที่ไม่เต็มใจกับเลาเนี่ยเราจะแค่ขาเหรอเลาจะแค่ขาเหรอเดี๋ยวรำมดอนใกล้แล้วใช่ไมเดรมออนเป็นเป็นบทเรียนเลยละมากิยามุลเลลอ่านกรอ่านทำความดีในรำมอดอน อย่าได้อยู่ในประเภทที่อัลลอฮ์มองว่าลังเลเรื่องถือศีลอดเรื่องละหมาดเตียมุลเลเรื่องอ่านคุรอานเรื่องทําความดีลังเลไม่เต็มที่ไม่เต็มใจกับอลหรอกอัลลอฮ์จะไม่มอบรางวัลต่างๆของเดลรัมบอตเนี่ยจะไม่มอบกับใครๆที่ยังลังเลที่จะทุ่มเทกับอัลลอฮ์ในเดลรัมบอตรางวัลที่อัลลอฮ์จะจะเทให้ คนขยันในเดือนร م ض ا ن นี่คือคนที่พยายามสุดความสามารถพยายามเต็ม ท, ที่ในเดือน رمضان แล้วเราจะเห็นว่าอัลลอฮฺสุบฮานะวะตะฮะเาจะให้อะไรให้อะไรามาในรเดือน ر م เท่ากับเรา ท, ทุ่มเทนะอัลลอฮฺจะให้และเท่ากับเราลังเลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราขาดการตอบแทนที่เราคาดหวังก็เพราะเราไม่ไม่เต็มที่กับอัลเราไม่เต็มที่กับอัล เราพร้อมที่จะนัดเพื่อนนัดญาตินัดคนสนิทไม่สนิทนัดได้นะมาเล่นบอลกันหลังอสรุรีอะไรไหนไหนเราเพียรแล้วนะไหนไหนก็จะแก้บวชแล้วนะหัวค่ำมนะันก็เอาให้เต็มที่เลยเล่นบอลให้เต็มที่เลยทำไมอ่ะมันจะได้เผาไขมันด้วยไงเออมันถูกลักษณะ นี่ก็ไปยิมอีกก็มาเล่นบอลกันในเต็มที่เลยนะแล้วก็อย่าลืมนะแกบวชหน้าสุราด้วยแกบวชหน้าสุราแล้วก็ละหมาดมักริบนะต้องละหมาดนะแล้วหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นเพราะไอ้ที่แกบวชนี่ผมวนี่ไอ้แกบวชนี่แหละตัวดีเพราะแกแรกนี่ก็มีผักลําน้ําแดงน้ําส้มมะตะบะโรตีอันนี้แกแรกนะ พอแกสองี่มาเนี่ยก็เสร็จแล้วนะเสร็จปัสสาวะข้าวหมกนู่นนี่นั่แล้วมาดมากริบนี่ยังทักอิหมามเลยอิหมามยังไม่ได้อ่านฟาดิฮาเปล่าเวียนแล้วไปไปไม่รอดแล้วอกลับบ้านเฮ้ยดู๋ไปเตรียมตัวจะได้มาละหมาตเราวยะไปเข้าไปอาบน้ําไปอาบน้ำอ่าอย่างอาซาญอิชายังไม่อาซานเลยเดี๋ยวบังงีบสัป๊บ นู่นน่ะสุโฮเลยก็ก็วางแผนไว้แล้วเนี่ยวางแผนที่เข้าข้างอารมณ์ไม่ดีไม่ด้เข้าข้างรมอดอนมันมันวางแผนที่เห็นแล้วไม่ดีทุ่มเทไม่ดีทุ่มเทเพื่อ Allah เพื่อเพื่อเะมอดอ้นก็ไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรล่ะแต่หากว่าเราทุ่มเทในเรื่องที่มันสนองสนองกิเลสสนองความต้องการของเราเราเราอยากเล่นบอล เทียบเรื่องอื่นด้วยนะาจะเรื่องเล่นบอลอย่างเดียวนะเล่นเกมเมากันเรื่องนู่นเรื่องนี้นะแต่ดูเหมือนว่าที่ Allah ได้ให้ความดีมากม า, า ย, ะะมาย อ, อยู่แล้ก็เหล่มุลไครรอดเนี่ยมันคือความดีมันคือความดีที่เขาจะประสบประสบในโลกดุนยานี้มากกว่าเพราะอายะห์ถัดมาเนี่ยล l l a h พูดถึงสิ่งที่ Allah เตรียม ไว้ให้เขาในโลกหน้าอัดดลลอฮฺละหุลัยมุญ น, นั่นหมายถึงว่ามีสิ่งที่เราอยังเตรียมไว้เขาแต่สิ่งเดียวเราจะมอบไม่นี่คือไขรอนอันแรกนี่คือไขรอนอุลัยกันแลหูมูลไครอนให้แล้วความดีเนี่ยความดีนี่นสําหรับพวกเขานั้นจะได้รับเรียบ ร, ออร้อยเลยรับจะได้รับหมายถึงในโลกนี้แต่สําหรับโลกหน้านี่อัลลอฮ์กำลังเตรียเขายังไม่รับเนี่ย ขาอยังไม่ได้รับแต่ Allah ตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขาอา لهم جنات تجري من تحت هل انها رخال د ي ن ا Allah ได้ทรงตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขาซึ่งบรรดาสวนสวรรค์จันนตินจันนตินสวนสวรรค์ก่อนหน้านี้เคยบอกแล้วว่าักบนล نبي صلى الله عليه وسلم ได้บอกว่าในจันนติมีดัจา นั่นสวันนี่มีรอยตำแหน่งรอยชั้นอัลลอฮุประดัมงให้เราละละลาอุละละวางแต่ละชั้นเนี่ยเหมือนระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินห่างกันหนึ่งร้อยชั้นหนึ่งร้อยตำแหน่งเนี่ยเฉพาะ สำหรับพวกมูจาฮิดีนที่เขาต่อสู้ที่เขาดิ้นรนเสียสละไม่เท่ากันเสียสละไม่เท่ากันคนที่บอกว่าเสียสละสุดๆุอีคนใน ง, งานอยู่ชั้นที่50บนี่นี่มแค่มูจาฮิดีนด้วยกันนะั่นนะเสียสละที่ไม่เท่ากันนะเฉพาะมูจาฮิดีนก็แสดงว่าความแตกต่างในความดีที่เราทำเนี่ย มันก็มันก็จะถูกแปล ร, รูปเป็นความแตกต่างในด้านการตอบแทนในส่วนสวรรค์ใช่ใช่แต่มันมีข้อแม้เรื่องหนึ่งที่เราต้องปรับความเข้าใจว่าเอาแล้วก็แบบนี้เหมือนเราเป็นเพื่อนกันไปทัวร์ด้วยกันอย่างเงี้ยไปทัวกันรถบัสสองคันไปด้วยกันแล้วก็ใจตังเหมือนกัน นะแต่ขั้นหนึ่งไปโรงแรมสี่ดาวอีกขั้นหนึ่งไปห้าดาวเคยทําม่แบบเนี้ยฮะโดนด่าเลยน ะ, ะโ ด, ดเขาไม่ยอมกันดิอีคนหนึ่งอยู่นู่นอยู่นี่นี่แค่โ ร, รงแรมสี่ดาวเท่ากันนะนะแต่ห้องนี้สองเตียงห้องนี้สามเตียงก็จะไม่ ต้องไปถามพวกแซที่ก็จดัดหัปวดหัวจริงจริงเรื่องนิดนิดหน่อยหนอยเฮ้ยทำไมท้องแกมีตูเ้เย็นหนุนฉันไม่มีตู้ <c oughs> แกแค่ลงรุงแรมานั้นในโลกตุนยานี่แต่ในสวรรค์นะไม่ในสวรรค์มันสมมติว่าจี้ฮาร์กันในสงครามเดียวกันเลยแล้วก็เสียชีวิตในสงครามเดียวกันเลยแต่คนละชั้นกันนะ่ะแน่นอนเพราะคนหนึ่งมีความ ตั้งใจมีความกับอีกคนหนึ่งคือต้องมีความแตกต่างกันคนที่อยู่ในชั้นล่างนี่จะมีความรู้สึกอะไรไมไม่เลยอัลลอฮจะให้เขามีความพอใจเต็มที่ในผลบุญที่ในการตอบแทนที่อล่อย ใ, ในสวนสวรรค์โดยที่เขาไม่มองและก็จะไม่เห็นความแตกต่างสาหรับคนที่คนที่อยู่เหนือกว่าเขาแม้กระทั่งโอกาสที่เขาจะ เยี่ยมเยี่ยมเยินกันในส่วนสวรรค์คนอยู่ชั้นบนนะก็มาเยี่ยมคนอยู่ชั้นล่างคนที่อยู่ชั้นบนนี่ก็จะไม่ดูถูนางสวรรค์แค่ไม่สวยเหมืนอนฉันไ อ, อ้นี่เรืะะ่องเลอะเทอะของคนคนในโลกดัวเนี้นี่เลอะเทอะไม่มีหรืคนที่อยู่ชั้นล่างจะไปเยี่ยมคนชั้นบนโอ้สวรรค์นี่แกมีว่างกีง่หลังของฉันนี่มีแค่ ฮะเราไอ้ขวนันอ่ละสุดหริอมุตตะ ق ا ب ินถ้าจะมาเยี่ยมกันนะนั่งกันนะนั่งบนเตียงเดียวกันมาคุยกันนั่งบนโซฟาเดียวกันแล้วก็คุยกันอ่าละสุรดมุตตะ قابل ินซึ่งหน้าเนี่ยหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสไอ้ขวนันไหวที่ผมเป็นพี่น้องกันแล้วไม่มีความแค้นไม่มีความอิจฉาไม่มีความไม่พอใจกันอันนี้เนี่ยอ่านว่าเนื้อมาฟีซดูริมมินกลิ่นอ้ขวนัน ในส่วนสวรรค์เนี่ยเราเราอัลลอฮ์เนี่ยได้ถอดถอนจากหัวใจของเขาเนี่ยถอนซึ่งริดลิลความโกรธความแค้นความอิจฉาเรื่องไร้สาระต่างๆที่อยู่ในหัวใจในโลกสำหรับคนในโลกนี้เขจะถอนออกฉนะนั้นความแตกต่างแต่มันจะมีข้อแม้อันหนึ่งสําหรับความแตกต่างในเรื่องผลบุญในส่วนสวรรค์เนี่ยที่อัลลอฮ์จะชดให้ถ้าเรามีเส้นสาย ั้า ง, งานการงานของเราเนี่ยไม่เพียงพอที่จะไปอยู่ข้างบนแล้วก็ปรากฏว่วก็ไปอยู่ชั้นล่างใช่ั้ยแต่ว่าก็ว่าเรามีเส้นสายปู่ย่าตายายของเราภรรยาของเราสามีของเราพี่น้องของเราที่รู้จักกัสนิทและเขาชาฟ้าให้หรือลูกหลานของเรา เรานี่เป็นพ่อแม่แต่ลูกหลานของเราเนี่ยทําดีกว่าเราแล้วก็ไปอยู่อัลลอฮฺจะชดให้คนเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ร่วมกันมาอยู่ร่วมกันอันนี้แกมีมีข้อแม้อั น, นแต่แน่นอนสุดยอดของการตอบแนทนทดียร์เราจะให้กับคนที่เสียสลับเพื่อพระองค์นี้ก็คือก็คือส่วนสวรรค์ น, นี่แหละคอลีดีนฟี่ฮะโดยที่พวกเขาพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล ذلكالفوزعظيم นั่นแหละคือชชยชนะอันใหญ่ e แล้วังจากนีแปานี่ตุ้งต้องให้เสร็จให้ได้นะเพราะเพราะเลื่อนมาแล้วหลายสัปดาห์แล้วตอนแรกนี่กจะเสร็จอเตาบ้านี่ก่อนเดือนรอมฎอนจะดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าไม่น่าจะทำคือท้ายๆเตาบ้านนี่คือหัวกะทิทั้งนั้นนะ คือเรื่องที่ต้องดึงละเอียดหน่อยเอาละถ้าไม่ท่านเนี่ยก็ยกยอดหลังเราโมดอนนังก็จะเหลือนิดนึงหลังจากนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้เล่าบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มมุนลฟิกีนที่ไม่ออกไปเยี่ยมกับท่านนบีสอลลอัลลอฮ์อัลเลาะห์ไม่ออกไปเยี่ยและไม่มีเหตุผลที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวดาละได้กําหนดไว้ เป็นเหตุผลส่วนตัวบางประการเป็นเหตุผลส่วนตัวบางประการหลงรังจากที่น บ, บีกลับมาจากสงครามตะบูกแล้วเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมาขอโทษกับท่านน บ, บีซอลลอฮลลและกระต่างคนก็อ้างเหตุผลบางประการทีนี้อุลลามาเขา ข, าขัดแย้งกันว่า ตอนนี้เขามาขอโทษท่านนาบีด้วยเหตุผลที่มันไม่ได้อยู่ในบรรดาเหตุผลที่อัลลอฮ์ให้อภัยได้เนี่ยอุปสรรคต่างๆและท่านนาบีให้อภยัยไหมหรือท่านนาบีแค่รับฟังอย่างเดียวมา ร, ร, รับฟังเหตุผลแล้วก็ยังไงก็แล้วกันก็แล้วกันแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ลั่นวาจาว่าให้อภัยแล้วเมอไม่เป็นไรแล้วอะไรเงี้ยเพราะ มีอีกลุ่มหนึ่งที่ถูกระบุชัดเจนว่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษกับเขาแต่กลุ่มนี้ที่มาขอโทษกับท่านนบีสุลตลานอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าให้อภัยโทษหรือเปล่าแต่อัลลอฮ์แยกกลุ่มนี้ให้เป็นกลุ่มเอกเทศกลุ่มหนึ่งก็คือพวกมูนาฟิกีนที่มาขอโทษท่านนบีและนบีไม่รับโทษไม่รับการขอโทษแล้วก็ไม่ให้อภัยกับเขา แล้วก็กลุ่มที่เขามีอุปสรรคจริงๆคนตาบอดคนขาเป๋อะไรเงี้ยอันนี้คนป่วยอ่ะอันนี้นบีเขให้อภัยอยู่แล้วหลังอายันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้อายันที่เก้แต่อายันนี้พูดถึงคนที่มาขอโทษท่านนบีสุลต่าละอัลเลาะห์แะอัสลาムเช่นกลุ่มหนึ่งคนรีกว่าบัญยามรอิบเนตุฟัยลมีรายเรื่องานนาทีที่เล่าเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับอายันเนี่ บญงามอับนุตุไฟลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มอาหรับกลุ่มอาหรับชนบทอยู่รอบรอบมดีน่าเนี่ยเขาไม่ได้ออกไป jihad ไปสู้กับท่านนบีในสุคการตะบุกพอท่านนบีกลับมาจากตะบุกเนี่ยนบีก็เรียกเข้ามาทำไมไม่ทาไมไม่ออกมา j ิ h a d เขาบอกว่านบีครับเราอยู่อยู่อยู่ในกลุ่มในกลุ่มชนบทเนี่ยซึ่งรอบรอบเราเนี่ย มีอาหรับเชนระบทที่ยังไม่ได้รับอิสลามเนี่ยเขาจ้องถ้าหากว่าเราเนี่ยบรรดาสุภาพบุรุษเนี่ยออกมาจิฮาตกับท่านเนี่ยออกจากชุมชนของเราเนี่ไปแยางกับท่านอบดินไอ้พวกนี้เนี่ยจ้องที่จะเข้ามามาทำลายชุมชนของเราเนี่ยก็จะยึดทรัพย์แล้วก็ลากเอาผู้หญิงสตรีไปข่มขืนไปเราก็เกรงว่าถ้าเราไปออก ทำสงครามตะบุกกับท่านเนี่ยแน่นอนพวกเราเนี่ยทรัพย์สินของเราครอบครัวเรานี่ยหายนะแน่นอนนี่เหตุผลเหตุผลหนึ่งแล้วก็มีเหตุผลอื่นๆนะครับที่มันคล้ายๆเหตุผลเนี้ยที่เขาไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านด บ, บีซึ่งมีรายละเอียดมากแต่ผมว่ามันมันก็มันก็คล้ายๆกันนะ่ะใครที่ไปอ่านตัพย์สินเนี่ยก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆกัน แล้วก็ยังมีรายละเอียดด้วยว่าเผ่าไหนที่มาขอทัศนะอุลมอก็มีข้อแตกต่างซึ่งมันไม่มีประโยชน์มากในการที่จะเล่ารายละเอียดตรงนี้สรุปที่มันเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าใจอายะนี้เนี่ยว่ามีกลุ่มนึงเป็นชนบทอารอบเขามีอุปสรรคส่วนตัวซึ่งอุปสรรคนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกระบุในบรรดาอุปสรรคที่อัลลอฮ์ระบุไว้ว่าอันนี้เนี่ยให้อภัยโทษได้นะพอเขามาบอกกับท่านนบีสุลต์ลลอฮูอัสซาลลัม นบีก็เลยไม่ตำหนิแต่ไม่ในอายะเนี่ยไม่พูดชัดว่านบีให้อภัยอายะนไง و جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الرسول سيصيب الذين كفروا منه معذاب ا ل ي م บรรดาบที่แก่ตัวในมุอาเรบชนบทเหล่านั้น ได้มาเพื่อจะได้ถูกอนุมัติให้แก่พวกเขาถูกอนุมัติว่าพ้นให้พ้นข้อตาหนิให้พ้นข้อคอรหาว่าเป็นมุนาฟิกเขามาขอโทษมาแก้ตัวนบีจะได้เห็นใจเขาแล้วก็ไม่หมายหัวเขาเนี่ยว่าเป็นพวกมุนาฟิก มีกลุ่มที่มามหาท่านนาบีแต่มีกลุ่มที่ไม่มาและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอัลลอห์และรัสูลของพระองค์นั้น <c oughs> ได้นั่งกันอยู่นั่งกันอยู่ก็คือไม่มาหาท่านนาบีจะได้มาขอโทษมาแก้ตัวกับท่านนาบีได้นั่งกันอยู่อัลลอฮ์บอกว่าการลงโทษอันเจ็บแสบ จะประสบแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขาเสียอยู่ซีบุญละที่ในกะฟารุมินุฮาดาบุญอัลีแสดงว่ามีกลุ่มหนึ่งที่มาขอโทษแก้ตัวกับท่านนบีสุลต่านในอายะนี้ไม่ด้บอกชัดนะว่านบีบอกอ๋อฉันให้อภัยแล้วไม่ไปไม่มีปัญหาแล้วพวกคุณไม่ใช่ไม่มีไม่ได้พูดแต่อุลามาได้บอกว่า Allah ได้พูดถึงคนนี่มาแก้ตัวกับท่านนาบีกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มาว่าก็อะละและนั่งอยู่คนที่ไม่มานี่นั่งอยู่ไม่ยอมมาหาท่านนาบีมาแก้ตัวการที่บอกว่ามีสองกลุ่มนี้ก็แสดงว่ากลุ่มที่มาเนี่ยได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วและกลุ่มที่ไม่มาเนี่ยแล้วถูกตําหนิว่าจะถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบเนี่ยแสดงว่า ที่มาแก้ตัวนะจะไม่พบการลงโทษไม่ประสบการลงโทษอย่างเจ็บแสบไอ้เมื่อมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ไม่มาเนี่ยที่จะประสบการลงโทษอย่างเจ็บแสบแสดงว่ากลุ่มที่มาก็ไม่ประสบการลงโทษอย่างเจ็บแสบซึ่งเรื่องนี้อุลามาก็อลุลลามะตซีดเนี่ยเขามีสองทัศนะทัศนงที่บอกว่าในเมื่อไม่มีความชัดเจนว่นานบีไม่ให้อภัยเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่ เพียงมาขอแก้ตัวกับท่านนบีสุลต่าลอิัลสลัมแล้วไม่มีเหตุผลดังเหตุผลที่อัลลอได้ระบุไว้สำหรับคนที่มีอุปสรรคที่ไม่จำเป็นต้องออกไปจิ h าดแล้วไส้คนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มที่นบีให้อภัยโทษอันนี้ทัศนาหนึง่งอีกทัศนาหนึ่งบอกว่าเขาไม่ใช่มุนาฟิก ین, ีนพอเขามาแก้ตัวกับท่านนบี แล้วอัลลอฮ์ได้พูดถึงกลุ่มตรงข้ามที่ไม่มาแก้ตัวกับท่านนบีว่ากลุ่มเหล่านั้นน่ะจะประสบการลงโทษอย่างเจ็บแสบแสดงว่ากลุ่มที่มาก็จะไม่ประสบการลงโทษอย่างเจ็บแสบนี่ทัศนาที่สองแสดงว่านบีให้อภัยโทษเรื่องนี้เนี่ยมีมีมเรื่องคล้ายคลึงในสุรุลอาลอฟที่อัลลอฮ์พูดถึงบรรดอิสราเอล ที่ละเมิดสัปตุว์ละเมิดวันเสาร์ที่อยู่ริมทะเลนะเราห้ามไม่ไม่ทำประมงวันเสาร์เขาก็ไปทำอะไรเขาก็เลยไปไปกักเอ่อวันวันวัววนเสาร์นี่ไม่ไม่เจ็บไม่จับปลาวันเสาร์เนี่ยไปกักปลาเนี่ยไปไปดัก ไอดักให้มันให้มันอยู่ในอ่าวในในในบริเวณของชายหาดแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยค่อยไปจับซึ่งชาวบนุสเรลที่อยู่ริมทะเลเนี่ยก็แบ่งกันเป็นเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่กระทำผิดก็คือที่เลมเมอร์ซัโตที่ทางที่เลี่ยงอะและเลมเมอร์ซับโตอีกกลุ่มหนึ่งที่เตือนชัดเจนว่า ที่เตือนจะเตว่าอย่าทำไอ้นี่มันบาปอัลลอฮฺจะลงโทษอัลลอฮฺสันเสริญกลุ่มเหล่านี้เพรากลุ่มเหล่านี้รอดกลุ่มที่สามนี่นะก็คือกลุ่มที่นิ่งไม่พูดอะไรเลยไม่ได้กลุ่มไม่ไม่ได้ทำไม่ไม่ได้ร่วมละเมิดทรัพยตัวแน่นอนแต่ก็ไม่ได้เตือนคนที่ละเมิดเฮ้ยอย่าละเมิดเดี๋ยวเราจะลงโทษโคบคนนิ่ ง, ขงเขาเงียบ ซึ่งในคุฎอ่านเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าสําหรับกลุ่มที่ละเมิดทรัพยนเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษสําหรับกลุ่มที่เตือนนี่นะอันนี้อัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะตอบแทนแล้วสาหรับกลุ่มที่นิ่งแหละกุฎอ่านไม่ได้พูดอุลามาก็เลยบอกว่าสะกัตุฟาสะกัตัลลอฮฺอัลลอฮเขานิ่งไม่ทําหน้าที่นิ่งอัลลอฮ์าก็นิ่งไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงชะ ต, ตากรรมของเขา และดูเหมือนว่ามันเป็นนโยบายสำหรับไอ้พวกไอ้พวกที่อยู่ในพื้นที่สีเทาเนี่ยไอ้พวกที่ชอบหล่อเนี่ยคือทุกกรณีนี่นะเขาจะไม่ผิดถ้าคนนี้ละเมิดเนี่ยเขา ช, ชนะนะ เ, เขาก็ไม่ได้ตำหนิไม่ได้อะไรเนฉันฉันฉันเป็นคนดีนะ และถ้ากลุ่มที่เตือนนี่เขาได้ประสบความสาเร็จเนี่ยเราไม่ได้ร่วมกับเขานะเราไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เอาด้วยกับเขานะหลอกทุกกรณีไอ้คนที่ไอ้คนที่ชอบหลอทุกกรณีเนี่ยในกุณอ่านเนี่ยไม่ให้ราคาพวกสีเทาไม่ให้ราคานี่ก็เหมือนกันถึงจะมีเหตุผลหรืออุปสรรคอะไรที่มาแก้กับท่านนาบีแต่เนื่องจากว่า เหตุผลของเขาเนี past, ah ah ah world, kingdom, ่ยม so mm. okay, ันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์อ่ะอ๋ลเราก็ไม่ได้ไม่ได้ฟันธงถึงชะตากรรมของเขาว่าเราให้อภัยโทษหรือไม่อภัยโทษแต่มีอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้ที่น่าสนใจมากก็อยู่ตอนท้ายของสุลตูบเขายอมรับเลยเขามาขอโทษนบีโดยยอมรับว่าเขาไม่มีเหตุผลเขาไม่ไปดีารกับท่านนบีโดยเขารู้ว่า เขายอมรับว่าเขาไม่มีเหตุผลเขารู้ว่าเขาได้ทําบาปมหาหันแต่เขาไม่มีเหตุผลและเขาไม่ได้เป็นมุนาฟิกและเขามายืนยันกับท่านนาบีเรื่องนี้ก็เลยเกิดการทดสอบว่าเออเขาจริงมไม่ได้เป็นมูนาฟิกจริงหรือเปล่าก็มีการทดสอบด้วยวิธีที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุาวาห์นาวะจาราได้เล่าถถึงเหตุการณ์ของเรื่อง เรื่องสงครามตะบูกและก็คนที่ไม่ดีออกกับท่านนุบิโซลลุอสเซลัมจดจมไวยนะเพราะเดี aden, ๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้ไปไปต่อยอดในช่วงท้ายของสุรธรรานะครับวันนี้มีเวลาเพียงเท่านี้นะครับอสัลลัลลอฮฺวาลาัยบีนะมุฮัมมัดินอัลอละิอสิลัมมีคำาำไหมดังอามีรศาษนะอุลมาส่วนมากไม่ว่าจิบยกเว้นในกรณีที่จะเกิดความขัดแย้งที่ อาจเกิดความเสียหายเนี่ยอาจจะเป็นหัวชิพคือจะมาอ้าบบางอย่างนี่ก็มันไม่ถึงขั้นที่จะเออจะเกิดความเสียหายอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดความเสียหายอย่างเช่นสังคมเนี่ชุมชนอย่างเนี้ยไม่มีอเมริกัไม่ได้สับหรุษมัสสิดอย่างเนี้ยไม่มีผู้นําไม่มีอิห ม, ม่าไม่มีใครจะตัดสินอะไรให้อะไให้นี่อันนี้ไม่ได้ น, นี่บาบบาบถึงขันหนที่อิหม่าอับนุลฮะซบอกว่าตําบลหนึ่ง ไม่มีผู้นำไม่มีอุลามาผู้รู้ที่จะนําสังคมชี้นําสังคมชี้ขาดสังคมนี่นะ่ะเขาบอกว่าแผ่นดินนั้นนะ่ะอยู่ไม่ได้บาปต้องอพยพต้องฮิจโรขนาดนั้นนะ่ะอยู่ในแผ่นดินที่แบบไม่มีความเรียบร้อยไม่มีระเบียบไม่มีไม่มีผู้นําไม่มีคนที่จะชี้นาสังคมตัดสินความขัดแย้งอะไรกนะ็อยู่ไม่ได้จริงด้วยอในสังคมแบบนี้เนี่ยเกิดเกิดปัญหาแน่นอน سبحانك اللهم وبحمدك ش ه د و ن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك ص ل ى الله على نبينا محمد وآله وسلم